นิคมะคาถาใครๆอย่าได้เกิดเป็นคนปรารถนาชั่วไม่ว่าในการไหนไหนในโลกเธอทั้งหลายจงรู้จักเทวทัตว่ามีคติเหมือนกับคนปรารถนาชั่ว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 และคบหาท่านเหล่านั้น